ยัตยมและก็ผู้สนใจในธรรมที่เราได้มาใฝ่ธรรมกันมาเจริญในกุศลธรรมตลอดถึงการได้มาสมทานรักษาศีลมาทำให้เกิดสัมมาส ม, มาธิมว่าจะเป็นส ม, มาธิขั้นไหนฌานขั้นไหนที่เป็นรูปฌานตั้งแต่ปฐม ทุติตาติและจัตุก็คือในรูปฌานสีจนถึงอรูปฌานสีนั่นก็เป็นเหตุของการมาปฏิบัติแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือทำอย่างไรให้การภาวนาถึงองค์ของพระปัญญาถึงองค์ของพระสติ จะได้สององค์นี้สบายพระปัญญากับพระสติมรกผลไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไกลเกินที่เราจะมีพระวิริยะจริงๆอัตมาดูคำว่าวิริยะก็คือเครื่องของการดำเนินไปให้ถึงเป้าหมายจุดหมายที่หมาย หรือความปรารถนาให้สำเร็จในประโยชน์อันสูงสุดต้องอาศัยพระวิริยะแต่ทั้งหมดมันต้องหลอมรวมกันนะโยมต้องเข้าใจคำว่าหลอมรวมกันจะมาโดนๆอย่างเดียวเลยไม่ได้พระพุทธเจ้าต้องมีบารมีสามสิบทัศจึงรับได้ทุกรูปแบบ รับได้ทุกทิศทางรับได้ทุกสถานการณ์รับได้ทุกเรื่องสมาึงดูขันติมีเพื่ออะไรเวลาไหนวิริยะมีเพื่ออะไรตอนไหนเมตตามีเพื่ออะไรตอนไหนพอเราเข้าใจแล้วมันไม่ขัดข้องเนาะการปฏิบัติมันสบายอ่อยมลองพิสูจน์เลยพระคุณเจ้า พิสูจน์ได้เลยธรรมะของพระพุทธเจ้าพิสูจน์ได้ในวินาทีตั้งแต่เริ่มมีเจตนาเป็นตัวตั้งขึ้นมาพิสูจน์ได้เลยเอาละอย่างโยมบอกข้าพระเจ้าขอตั้งจิตวันนี้จะไม่โกรธจะใช้เมตตาเป็นเครื่องอยู่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดทางหู ที่มีเสียงมากระทบเกิดทางตาที่มีรูปมาปรากฏหรือแม้แต่เกิดทางมโนภายในใจอันมาปรากฏให้รู้ในมโนทวานข้าพเจ้าจะตั้งเจตนาจะไม่โกรธวันนี้ขอสมัรานว่าไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธเอาสิและพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้วันนี้ถ้าพูดเนี่ย อมพระมาพูดจริงอมพระมาพูดเวลาพูดขึ้นมาใจมีเมตตาโอ้รับรองได้ ว, วันนี้หน้าไม่ตึงและพิสุจนอววันนี้ทั้งวันเราทำได้หรือเราทำไม่ได้ถ้าสติของเราระลึกอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยือยอยอย่อยนะได้ พระปัญญาของเรารู้ว่าความเมตตาเป็นสุขให้กับปวงสัตว์ทั้งหลายเราจะใช้เมตตาเป็นเครื่องอยู่วันนี้จิงใช้ว่าเมตตาภาวนาคนบางคนมองข้ามแต่มาไม่เคยมองข้ามว่าเมตตาภาวนาโยมเข้าป่านะเมตตาภาวนานเนี่ยป้องกันสัตว์ร้ายได้สัตว์มันกระทบเขาเรียกกระแส ย่อมเช่ว่าจิต ม, ม, มีคลื่นมันมีคลื่นมันมีกระแสที่แผ่ซ่านออกไปจนถึงเขาเรียกว่ามีรัศมีถ้าของพระพุทธเจ้ามีฉับพันตรังสีมีฉับพันตรังสีที่เปล่งปลั่งแล้วก็แผ่ไปทุกทุกทิศ ปวงสัตว์ทั้งหลายนะเมื่อได้รับคลื่นกระแสยมจําุูตรมช้างนาลาคีรีโอโหขวานช้างถูกว่าจ้างจากพระเทวทัตยุย่แย่ให้ให้ทาช้างตกมันเนะยามเช้าตรูองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคออกโปรดบินทบาทยามเช้าซึ่งมีพระเทระอานนท เป็นผู้ติดตามเสด็จด้วยวิ่งมาเลยตกมันยมก็รู้นะช้างตกมั น, นร้านค้านร้านค้าร้านขายเนี่ยไม่มีหลีกเน่ยพังหมดวิง่งเพราะเขาไปด้วยอาการที่ขาดสติคือเมาช้างตกมันคือเมาบวกกับความไม่รู้ในสิ่งที่ตนทำแม้แต่ควานช้างก็ตายได้ พอวิ่งเข้ามาใกล้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคพระอนนทเทระด้วยความเป็นห่วงพระพุทธเจ้าออกมาปกป้องตั้งความรักความหัวว่าจะขวางถ้าเหยียบจะทําลายพระพุทธเจ้าต้องทําลายตนก่อนพระพุทธเจ้าบอกอนนท์หย่าเลยใครก็ทําลาย พระตถาคตไม่ได้ถ้าเราไม่พึงปราถนาะสิ่งนั้นก็จะไม่ละขายเราได้ถ้าเราไม่ปราถนาะสิ่งนั้นจะทำรลายเราสิ่งนั้นก็ทำร้ายเราไม่ได้ก็จริงๆพปอช้างน า, าคิกิงวิ่งตกมันมาเจอคลื่นแห่งความเมตตาของพระพุทธเจ้าแผ่ไปนะโอ้โหวิ่งมาแล้วก็สุดหลงมอเขาเรียกว่าสิสโรรา ศิโลราบบอบแทบเบื้องยุคนบาทแห่งพระศาสดาสัมมาสัมพุท ธ, ธะอาการดิตตกใจตกมันหรือขาดสติหรือความอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดอาการแห่งความตกมันหายเลยเป็นการยืนยะเมตตาภาวนาของพระพุธเทธเจ้าคลื่นแห่งความเมตตา จิตแห่งความเมตตาที่แผ่ไปกระทบจิตได้แม้สัตยังรับรู้ได้แม้สัตยังรับรู้ได้ ย, ไดยังรับถึงเมตตาของพระพุทธเจ้าเห็นไหมอาการทั้งหมดขงความตกมันหายไปเลยนี่บุญบุญจริงๆเป็นบุญใหญ่บุญล้น เป็นบุญที่นำความสุขคือการเจริญเมตตาภาวนาะฉะนั้นคนที่ทำฌานคนที่เจริญเมตตาต้องบอกว่าเป็นผู้สรงไว้ซึ่งฌานด้วยนะสังเกตดูนะคนที่ใจร้อนเมตตาไม่ค่อยมีทำฌานไม่ค่อยได้เพราะพื้นฐานของการดำฌานถ้าเราไปดูนะปฐมฌานมีมิตรกิจฉาปิติสุขเอกคัตตา ปิติเห็นไหมปิติความเมตตาเนะี่ยคืออะไรวิตตกวิจารณปิติสุขเอกตาพอเป็นทุติยฌานก็วิตตกวิจารณ์หายมีปิติสุขเอกตาฉะนั้นคนแผ่เมตตาจิตมีปิติไหมมีมีปิติเพราะการเจริญเมตตานั่นคือการแผ่ ความปราถนานดีให้ผู้อื่นมีความสุขเมื่อผู้อื่นมีความสุขตนเองก็ได้รับปิติสุขไปด้วยนี่คือการสร้างบุญแบบเป็นบุญชั้นในเลยแต่มาว่าเป็นบุญที่ทำได้แบบมันเนียนแต่มาว่าเนียนใช้คำว่าเนียนนุ่มนวลจิตพอเราไปเจริญในตติยฌานก็เหมือนกันจนถึงว่าปิติ หายไปเอกตาหายไปจนถึงจิตอันมีอุเบกขาในพอชันยิ่งสูงเท่าไหร่อาการยิ่งลดลงนะยมจำไหมนะใหม่ๆต้นๆยังมีอาการเยอะอยู่พอชันสูงขึ้นอาการลดลงน้อยลงน้อยลงจนเหลือคําว่าจิตอันวา่าสติอันตื่นจิตอันวางใจที่รู้มันเป็นขั้นบันได จ, จริงไหม ก็ถึงจุดละจิตอันวางมันเป็น จ, จิตที่รู้ขึ้นมาสติอันตั้งอยู่นี่แล้วก็จเจริญในเรื่องของกรรมฐานที่จเจริญยิ่งไปคือวิปัสสนากรรมฐานฉะนั้นถ้าเราจเจริญเมตตาบ่อยๆจะมาบอกว่าคุณธรรมเนี่ยไปได้เร็วเทคนิคง่ายๆเลยคนที่ภาวนานแล้วไม่ค่อยไปไหน บอกได้ว่าจิตของบุคคลนี้ไม่ค่อยเจริญเมตตาเมตาน้อยกุศลจิตเนี่ยมันไม่ตั้งได้พอมีคลื่นกระแสมากระทบลบโกรดลงก็เข้ามาพัดทลายอีกแล้วแต่ถ้าเราจเจริญโดยเมตตาภาวนามีสติตั้งได้มีจิตอันรู้อยู่นะ ทำให้สามเดือดทมนีน้รุดหน้าไปหลายต้องบอกหลายขุมดีไหมทมนิรุษหน้าไปไปมากเลยล่ะจริงๆพราความเมตตาได้แผ่ซ่านไปตนทั่วอนุของจิตแล้วเนี่ยนะคำที่คิดคำที่พูดสิ่งที่ทำงดแล้วการเบียดเวียน การทำลายการให้ร้ายการอาฆาตความพยาบาทนี่มันคืออาการของการดำริชอบจเจริญอยู่ในอริยมรรคเลยนะเห็นหัหยโอ้มันมันสำคัญถ้าเราไม่ภาวนาจริงเราเราไม่รู้พอเราได้ตัวรู้เข้ามาพอกำหนดได้โอ้นี่เราจะเริญอยู่ในในอรยยิยมรรคแล้ว ในอรียมรรคแล้วความดํารีช่อไม่ปองร้ายไม่คิดพยาบาทมันก็ได้แล้วเชน่นกุศลจิตสังเกตดูคนมีเมตตาสว่างนะสว่างแล้วเกิดใหม่นะสมมติถ้ายังไม่บรรลุนะเกิดใหม่ก็สว่างไปอีกแล้วจิตน้อมไปสู่ความเมตตากุศลเจตนาเนี่ยมันเกิดง่าย บางคนนี้เมตตาภาวนา ม, ม่ค่อยเจริญจิตมันเห็นปุ๊บก็คิดแอกูสนลได้ยินปุ๊บก็คิดออกูสลเห็นใครดีกว่าก็ไม่ได้นะมันไม่ถูกต้องคนเจริญเมตตานะี่ยใครได้ดีโอสาทุตอนนี้ตามมาสาทุจริงๆพระปั่นบปฏิโมกได้ก็สาทุกับท่านท่านได้ เป็นผู้มีความเพียรและท่านได้ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นแล้วได้เกื้อกูลกันเป็นบา ร, รมีของท่านด้วนะโยมจะไม่มีพระรูปหนึ่งก็เป็นลูกศิษย์แรกๆหัวท่านเป็นคล้ายๆเป็นกา ก, ากเป็นเกลื่อนนะโดยประมาณท่านก็ท่องปฏิโมกได้พอดีตมาบอกไม่ต้องห่วงท่องไปเถอะเดียวหายจริงๆได้แค่พรรษาเดียวหายเกลี้ยงหมดเลย ท่านบอกไอ้แปลกยังอาจารย์ที่อาจารย์พูดผมว่ามันไม่เกี่ยวนะอวเออมันไม่เกี่ยวแต่บุญเนะี่ยมันรักษาไม่ใช่ยารักษานะบอกวบุญรักษาอั น, นิสงส์มันมีบุญก็รักษาเชื่อไหมเวลาบุญรักษาเนี่ยโรคหายได้มันแปลกแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกมันเป็นเรื่องของบุญและหายจนถึงทุกวันนี้ เป็นอนิสงส์เนี่ยคือบอกเออความเมตตาการที่เราคิดจะทำอะไรที่หวังเกื้อกูลผู้อื่นเนี่ยต่มาบอกว่าเหนื่อยเท่าไหร่ท่านอย่ากลัวอย่ากลัวเพราะขนทางนี้ประเสริฐสุดแล้วการบําเพ็ญพระโพธิสัตว์จุดหมายคือการเกื้อกูลไม่มีเหตุผลอื่นเลยนะ การบำเพ็ญพระโพธิสัตว์เหตุผลคือการเกื้อกูลแม้แต่บำเพ็ญมหาพระโพธิสัตว์จนถึงที่สามารถจะเป็นพระพุทธเจ้าได<ม>้ก็ยังมีความปรารถนาหวังเพียงการเกื้อกูลแต่ประโยชน์ตนก็ต้องได้ฉะนั้นเมตตาภาวนาตามาว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งของการ จริญกรรมาฐานที่สูงสุดเลยนะทำไมในบา ร, รมีสามสิบมีเมตามตาเมตตาไมตรีการุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนคือทำให้มันถึงพร้อมมีเมตตาเจนั้นเราจ ะ, จะเจริญในทมหมวดไหนก็ตามแต่ โดยพื้นของจิตแล้วต้องเจริญเมตตาภาวนายัางตื่นเช้าขึ้นมาคิดไม่คิดร้ายนะจิตปรุงแต่งอะไรต้องให้คิดเจริญไปในกุศลเห็นไหมคนอื่นเขาชั่วใช่ว่าเราจะชั่วตามเขาคนอื่นเขาเลวใช่เราจะต้องเลวตามเขาไม่เกี่ยวแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปเหยียบซ้ำเติมของ ผู้อื่นตำมาไม่ไม ส, สันเสริญและพูดอะไรทำมาจะไม่ซ้ำเติมใครใครจะเลวจะชัว่วจะผิดในเรื่องอะไรมาก็ตามเราไม่มีหน้าที่ซ้ำเติมเรามีแต่หน้าที่วางเฉยหรือปรองสังเวชหรือแผ่เมตตาแต่ยืนยันว่าไม่มีหน้าที่ต้องให้เขาเจ็บเพิ่ม แผลก็มีนะเราไม่ใส่ ย, ยาแต่เราดังไปควานแผลเขาอีกแล้วบอกว่านี่ฉันเป็นนักปฏิบัติมาสี่สิบปีแล้วนะแต่มาบอกขี้หมาภาวนาแบบขี้หมาไม่ใช่นักภาวนามไม่ซ้ําเติมนักภาวนามไม่สะใจต่อผู้ที่ได้รับกรรมแล้วเนะี่ยพอแล้วบางคนคนตายแล้วยัง ยังไปด่าซ้ำอีกนะโอ้ยอะไรกันนักกันหนาคนตายแล้วกรรมวิบากนั้นเขาก็ใช้จบแล้วเขาก็รับสภาพจุดนั้นหมดไปพบหนึ่งภูมิหนึ่งแล้วพอแล้วจบก็คือจบนั่นคือเรามีเมตตาเราไม่มีความพยาบาทพอแล้วจบสบาย เห็นไหมพระพุทธเจ้าบอกทุกให้กําหนดรู้ไงเหตุของทุกให้ละเสียอันี้ทุกกําหนดรู้เหตุของทุกพึงยึดเสียไม่ใช่ละมันเขียนคนละคำเลยยึดยอยักสละอือดอนเดกยึดละลอ ล, ลิงตัวเดียวแล้วก็มีสะละละโดดโดดเหตุของทุกพึงละ มมนใช่พึงหยุดไม่ใช่พร ย, ยิ่งภาวนาเป็นหน้าใสนะหน้าใสพื้นผิวนี่มันสะอาดภาวนาให้มันถูกนะถ้าภาวนาถูกจุดนะตาตา玛บอกร่างกายเองระบบเลือดลมมันก็ไม่สับสนนะมันก็เดินป ก, กติจิตใจเองก็ปกติ พวเมตตามากขึ้นมากขึ้นสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในป่าคลื่นที่พูดไว้เมื่อกี้หรือว่ากระแสจิตเนี่ยที่ส่งไปนะเชื่อว่าสัตว์ดุร้ายนะไม่ไม่กำไกลก็ามามันมันรู้มันรู้แล้วเชื่อไหมว่าในขณะที่เราจเจริญเมตตาภาวนามีเทพเทพารักเขาอารักขาอยู่ เราเห็นหรือไม่ก็ตามแต่มีสิ่งนี้เขาดูแลอยู่แต่มาไม่สงสัยอย่านึกว่าเราไปไหนอยู่คนเดียวโลกนี้มันว่างเปลี่ยวไม่ใช่โลกเบบ น, นี้นั่งที่ไหนมีดวงตาหลายคู่จดจ้องเราอยู่อิลีจริงจริง บางทีโยมยังรู้สึกเดินไปขนลุกหยอห่วยมันอีหยังนอ้อเพื่อนวะเดินไปนี่แหละขนหัวตั้งสอหวยมันอีหยังนอ้อเพื่อนวะเดินไปนี่มันกระทบมันสัมผัสอะไรไม่รู้ขนลุ ก, กย่อไป็นแบบจักอีหยังหยาบขนสู้ตัวหยาบขนสู้ขนสันว่าเป็นนั่นลุกหยับหยาบหยับหยาเพื่นรู้ว่านั่นคือการสัมผัส ไม่เจพไปสัมผัสอากาศที่มันเย็นแบบอุณหภูมิที่มันผิดเพี้ยนไปเลยเอออันนั้นมันเป็นทางวิทยาศาสตร์แต่นี่มันเป็นทางการสัมผัสใจที่สัมผัสบางทีเราเหมือนกับมอีอะไรอยู่รอบข้างเราบางทีนะ้มันเหมือนมีอะไรเหมือนจะเห็นแต่ไม่เห็นเหมือนมีเหมือนเหมือนไม่มีใครเดินออที่เด้อ รู้ไหมว่ามีหลายสิ่งจ้องอยู่ไม่ว่าบุญแล้วก็บาปมันจ้องอยู่เด้อคนว่าตัวไหนมีกําลังกว่ามันก็แสดงอํานาจฤทธิ์ถ้าบุญก็ปกป้องแต่บาปมันก็ทําลายและก็ให้ร้ายแต่ถ้าเรามีของดีอยู่ในตัวเนะเมตตาภาวนาตามาบอกเป็นวิชาสูงสุดในขบวนเรื่องของจิต เห็นไหมเรื่องของสวนรศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นความกระตันญยูความเมตตาในสัตว์ก็แห่กันเข้ามามันเป็นบารมีจริงๆจะดันดัดโยมพระคุณเจ้าถ้าอยากมีบารมีจริงๆนะต้องภาวนาให้มีเมตตาด้วยภาวนามีเมตตาจิตวังเกื้อกูลกัน อย่ามองอะไรเป็นเรื่องเรื่องร้ายๆก่อนเราไม่จําเป็นบางทีเรื่องร้ายๆเรายัางแก้ไขให้เป็นเรื่องดีได้เลยอย่างพระพุทธเจ้าเจอโจนองค์ครีมานสุดท้ายให้ทิ้งอาวุธแล้วก็ติดตามพระองค์บวชบรรลุมกขลิภานเราไม่จําเป็นไม่จําเป็นฉช่ไหมเมตตา ภาวนาของใครจิตอันตั้งได้แล้วนะี่มันค่อยๆเย็นนะแต่มารูรว่อการภาวนาที่สุดจิตมันค่อยๆเย็นลงเย็นเย็นลงเย็นลงถ้ามันร้อนร้อนไม่ใช่ไม่ใช่นะใชจิตการภาวนาที่ถูกต้องเย็นเย็นเย็น เย็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจากวันเป็นอาทิตย์อาทิตย์เป็นเดือนเดือนเป็นปีปีหลายหลายปีเ ย, ย็นเย็นเย็นจนถึงที่สุดแห่งความเยน็นดับเย็นคือความร้อนจะไม่เกิดแล้วโลภโกรธหลงมันเป็นความร้อนอันเป็นไม่ว่าจะเป็นกิเลสกองไหนที่เป็นไฟเป็นไฟราคะขิโมหะขิ มันเป็นไฟความเย็นการภาวนาพอถูกวิธีเนี่ยมันดับอกุศลเกิดไม่ได้เลยฉะนั้นเราทุกวันนี้อกุศลจิตยังเกิดได้มีวิธีไหนภาวนาไม่ให้อกุศลเกิดที่เราเนิ่นช้าเนิ่นนานเพราะวิธีปรุงกรดีกรรมวิธีของการภาวนาเนี่ย มันไม่ได้สัดส่วนที่ลงตัวแต่มาบอกได้เลยมันไม่ลงตัวยังไม่ถูกจุดยังไม่ถูกวิธีมันก็เลยเนิ่นนานชา้าแต่ถ้าถูกจุดถูกวิธีนะสามเดือนทำรุดหน้าเรามองเห็นเลยย้อนจากวันนั้นถึงวันนี้วิถีทำเรามองกลับได้เลยว่าเมื่อสามเดือนก่อนจิตเราเป็นอย่างนี้แต่วันนี้การกระทบครั้งนี้ เออจิตเรามันมันไม่เป็นนะเราพิสูจน์ได้แล้วว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ากำหนดได้พิสูจน์ได้ด้วยตัวเราเองแล้วเราได้รับพลาอานิสงอย่างเต็มที่หมดความสงสัยผ่านอีกขกเดือนจากวันนั้นถึงวันนี้วิธีธรรมพอมากระทบอีกเรารู้ว่าจิตที่เคยมีเมื่อก่อนวันนี้มันบางมาก เรารู้สึกไม่ร้ร้อนเหมือนก่อนมีก็มีสติรู้ถึงปรากฏจิตจิตก็รู้ไม่สนองนี่เขาเรียกเขาเรียกอยู่ในขั้นขัดเลาเลยนะภูตะวาทะเป็นผู้ขัดเรากิเลสเราเริ่มขัดเราแล้วนะเริ่มขัดเราแล้วขัดเรากิเลสแล้วรู้แล้วเริ่มขัดเรากิเลส กิเลสพบน้อยใหญ่เข้ามาแล้วกามกิเลสเข้าแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนรู้ทันหมดเลยบัณฑิตไปเยืยนอยู่ที่สูงมองลองมาที่พื้นดินเราเห็นข้าศึกก่อนที่จะประชิดนะประชิดเข้าเมืองก่อนที่จะถึงตัวเราเรารู้ว่าเขามาทางไหนเรามองเห็นถ้ายิ่งเราอยู่สูงเท่าไหร่เราก็ยิ่งมองเห็น เห็นไหมก็เราเห็นเขาแล้วอ่ะก็สติระลึกได้ปัญญาเกิดรู้ขึ้นมาเราก็แลเห็นเกิดทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสกระทบสัมผัสใจถูกต้องอารมณ์เรารู้แล้วอารมณ์ที่เป็นอดีตอารมณ์ที่เกิดปัจจุบันการพรุงยิตไปสู่ อนาคตที่ฟุงเรารู้เรารู้เรารู้พอกำหนดได้สติที่ตั้งได้ก็เอาธรรมะเนี่ยมาชำระเอาวิปัสนาภูมิเนี่ยมาพิจารณาอันนี้จังไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้มากำหนดพิจารณาจนกว่าจิตนั้นเนี่ยยอมรับในไตรลักษณ์ถ้ามันลงไม่ได้ภาวนาต่อ ถือว่าจิตมันยังดือ้อยังมีอวิชามีโมหะครอบงับอยู่เหมือนที่ตะมาเคยบอกว่าเรามาภาวนาเกศาโลมาณขาทันตาตาโจดาโจทันตาณขาโลมาเกศาเกศาโลมาท่องสักร้อยจบพันจบกันตามถ้าท่องแล้วจิตของเรายังไม่กําหนดเห็นเป็นอสุภะถือว่ากรรมาฐานยังไม่เกิดยังความสลดใจในการปรงอสุภะยังไม่เกิดถือว่าอย่าง มันยังฟูเงี้ยยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ต้องกาหนดลงไปกาหนดลงไปลงไปลงไปลงไปจนถึงก็ว่าจิตอันวา่าจิตอันวา่าเห็นอธินวะคือโทษเห็นโทษแหะจากว่ารูปกายสวยเห็นกายเป็นโทษจากเห็นกาม เป็นสุขมองไม่เห็นเว็นสาระเป็นเก่นสารแห่งสุขแล้วมันต้องกําหนดจนถึงจุดพอถึงจุดจิตจะวางพอวางเสร็จนั่นแหละการปรุงแต่งให้ก็อเกิดกิเลสเนี่ยมันก็ไม่น้อมไปพอไม่น้อมไปจิตมันก็เห็นเห็นสภาวะจิตภายในตั้งอย่างไร ปรากฏโดดเด่นเลยนั่งในเห็นช็อกสมาเคยภาวนาบางทีมันภูเขาเลยนั่งบึ๊กแล้วก็นั่งนิ่งจดจอจดจ้องดูรู้ตื่นนิ่งสงบวางได้ยินแม้แต่กระทั่งลมหายใจตัวเองแต่มิใช่ยึดอยู่ที่ลมหายใจเพียงรู้อยู่ว่าลมหายใจนั่งเห็นกายปรากฏนิ่งอยู่ มิได้ยึดอยู่ในรูปกายที่นิ่งแม้เวทนาปรากฏอยู่ในรูปกายนี้บ้างแต่มิได้ยึดอยู่ในเวรนาในรูปกายนี้คือทุกอย่างมันเห็นแต่วางเห็นแต่วางเห็นแต่วางเห็นแล้วก็วางวางวางวางวางมันวางโดยตําแหน่งที่มีอยู่โดยตําแหน่งเราไม่ต้องไปยึดเพราะความยึดเป็นเรา เพราะไม่ยึดจึงเปลี่ยนสภาพของาธาตุขันที่เราเราพูดกันทั้งชีวิตว่าอุปทานอุปทานอุปทานนะคือความมั่นหมายยึดถือนั่นเองพอเรารู้รู้รู้รู้ ร, ร, รู้จิตที่เห็นแล้วเนี่ยอย่างเสียงมากระทบตมาเคยดูว่าอะไรคือความสงบ การไม่ได้ยินเสียงนั่นหรือชื่อว่าความสงบแต่มาก็ดูไปดูมาบอกพอจิตเราได้เราบอกไม่ใช่เสียงมีอยู่แต่ใจยังสงบอยู่ก็แสดงว่าความสงบมันก็ไม่ใช่คือความเงียบหรือไร้เสียงที่จะดังขึ้นมาแต่ความสงบอยู่ที่ใจอันไม่เข้าไปติดยินดีเข้าไปยึดยินร้าย ในสิ่งที่มาสัมผัสมากระทบมาถูกต้องมันก็เป็นเพียงว่าเกิดเสียงแต่ใจนั้นก็ยังปกติอยู่จริงจริงตรงที่ว่าขนาดจิตอันวางโดยธรรมชาติที่เป็นธรรมไม่ถูกย้อมปรุงแต่งไปในความยินดีความยินร้ายทั้งสอง จิตนั้นย่อมวางเป็นอุเบกขาในเวทนาไม่ว่าสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ย่อมชื่อว่าเป็นผู้มีสติอันวางพอยกจิตเจริญพิจารณาสิ่งมีสิ่งเกิดสิ่งดับย่อมเห็นชัดตามความเป็นจริงเห็นความเกิดดับเกิดดับเกิดดับจึงเห็นไตร ล, ลักษ ตามความเป็นจริงเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอเห็นชัดอย่างนี้ไม่ตกใจไม่ตกใจในลมหายใจที่แผ่วเบาลงเบาลงนั่งภาวนาได้ยินลมหายใจบางทีลมหายใจเหมือนหายเงียบไปสงบไปนิ่งไปหรือเหมือนกับกายนิ่งไปแข็งไปหยุดไป แสดงว่าอาการใดๆที่มีในโลกล้วนแต่เรามาสัมผัสในอาการแล้วสิ่งนั้นก็อันตรธานจากไปอีกยมดูให้ดีนะความสาวเราเคยสัมผัสในตัวเราเองและความสาวก็จากเราไปทั้งไม่ได้บอกลาไม่ได้บอกวันเดือนปีไม่ได้บอกสถานที่แต่เขาก็จากลาไปโดยที่เขาไม่ได้กล่าว เรากำหนดแล้วเรากำหนดแล้วเราเห็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้เช่นเราเองมากำหนดบางครั้งก็สลดว่าทำไมคนที่เรารักจะต้องตายแม้ชีวิตของเราเองเป็นที่รักก็ต้องตายแม้ของอันเป็นที่รักของเราก็ต้องมีคำว่าจากพัดพราก ที่มันคืออะไรนี่แหละมันคือสภาพทุกข์ที่ทนได้ยากเพราะมันเป็นบทความแห่งอ น, นิจจังไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้จึงเรียกว่าสภาพทุกข์ฉันอะไรก็ตามที่ทนอยู่ไม่ได้บีบคั้นในสภาพทุกข์หมดที่โยมทุกทวันนี้เพราะมันบีบคั้นไงเรารู้สึกทนไม่ได้แล้วนะทุกข์ใช่ไหม นั่นแหะทุกบีบคั้นไงบีบคั้นบีบคั้นบีบคั้นพอเราเอาปัญญาเข้ามาเติมเอาสติเข้ามาเสริมเอาจิตเข้ามาเรียนรูน้มากําหนดทุกในที่วุ่นวายเราไม่วุ่นวายทําให้มันได้ในที่โหดร้ายเราไม่โหดร้าย ในที่หลงเราไม่หลงในที่แย่งชิงเราไม่แย่งชิงในที่สู้รบเราไม่สู้รบเพื่อเข่นฆ่าแต่เราสู้รบด้วยปัญญาเช่นชีวิตของนักบวชชีตของผู้บาเพ็ญเราจะสู้รบด้วยปัญญาแต่เราพร้อมที่จะสู้ทุกเวลาด้วยแต่เมื่อไรเราสู้รบด้วยศาสตราศีล สมาธิปัญญาอันเป็นขนทางของอริยมรรยผลจะถูกบั่นทอนและถูกทำลายแล้วเส้นทางก็ถูกเบี่ยงเบนไปอีกทา ง, งจึงบอกนักภาวนาทุกคนในที่สุดพื้นฐานลึกต้องมีเมตตาภาวนาเอาไว้พอถึงจุดหนึ่งถ้าเราไม่มีเมตตาจิตมันจะร้อนนะ มันร้อนโยมไปเจอคนไม่มีศีลคนไม่มีธรรมไร้ศีลไรธรรมเขากากขะเราเข้าไปต้องมารับอารมณ์กับบุคคลอย่างนี้เราต้องไปร่วมไปอยู่กับคนเหล่านี้และจาเองค์ในภาวนาทนธรรมะทนถึงเมื่อไหร่จตมาว่าใช้เมตตาอย่างเดียว ณเวลานี้นะปรัชนานห้เขามีความสุขแล้วกันเราทำได้เท่าไหร่ก็เท่ากับเป็นการยกจิตตัวเองว่าเราอยู่เหนือพบกรรมวิบากอันเป็นกรรมดำได้เท่านั้นแล้วมีใจคิดสงสารเขาอีกนะเมตตาเกิดในจุดเริ่มความกรุณาก็ตามมา มันแปลกเหมือนที่พระพุทธเจ้าเคยแสแดงไว้ในครั้งว่าความเมตตาของพระองค์มีความเสมอไม่ว่าเทวทัตผู้คิดฆ่าเราปรงพรชนเราก็ตามและราหุนผู้เป็นบุตรแห่งเราความเมตตาของเรานั้นมีเสมอกันเอาศัตรูที่ฆ่าคิดฆ่าพระองค์เนี่ยนะแต่พระองค์ก็มีเมตตาเสมอกันโยนคิดเี่ นี่ของเราก็ด่าท่านนะโยมโยมก็หาไม้แลวะวพอเขานินทาโยมก็หาปืนล้หาหมีดละหรือว่าเตรียมแล้วเตรียมจะใส่คืนให้จะใส่หนักกว่าเดิมอีกไดานามายมันไม่ใช่นะโยมไปสนองจิตที่มันไม่ใช่กุศลเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่นะดันั้นเราต้องพยายาม จเจริญเมตตาภาวนาไปจิตมันเย็นเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วต่อไปทําฌานจะมาบอกเลยเป็นเรื่องง่ายมากการทําฌานเนี่ยบางคนทําไม่ได้จริงๆนะเพราะจิตมันร้อนฉะนั้นคนจะทําฌานได้จิตมันต้องละไอความโกรธด้วยเอาความโกรธมานั่งทําฌานไปไม่ได้เอาความพยาบาทมานั่งทําฌานไปไม่ได้ เพราะมันเป็นนิวรณ์ตัวนี้เป็นเครื่องกั้นคุณธรรมชั้นสูงเลยล่ะไม่ได้อยอมสังเกตไหมพอเราแผ่เมตตาไหวพระสวดมนต์ฟังธรรมใจมันไปนะไปแล้วแต่พอคิดถึงไอ้คนนั่นไอ้คนนี้เอาแล้วเดือดพึดพึดพึดเป็นน้ํากรดแช่เย็นแล้วพึดพุดพึ ด, พดมันเดือดเลยนะเป็นน้ํากรด เราไม่จำเป็นนะเราเอาเพียงแค่ว่าน้ำใจน้ำกรดไม่เอาเอาน้ำใจน้ำใจไม่เคยสาดหัวใจใครให้เล่าร้อนเรามีน้ำใจกันสิอยู่อีกกี่วันโยมโยมเห็นหน้าธรรมาสักกี่วันอรตมมาจะเห็นหน้าโยมสักกี่วันเรามีน้ำใจมีการให้อภัย มีความสงสารซึ่งกันและกันคิดช่วยเหลือกันนี่คือเมตตาเพียงนั้นเลยนะฉะนั้นเราต้องตั้งให้ดีวันหนึ่งจะถูกอะไรมากระทบแต่ก่อนจะนอนต้องชำระให้หมดแผ่เมตตาไปฝึกไว้ก่อนจะหลับ จะนอนจิตที่ข้างค้างในอารมณ์ใดอารมณ์จิตหนึ่งที่เกิดความขุ่นข้องมองมัวนทำกรรมาฐานสิ่งนั่นเดี๋ยวมันมาปรากฏเองนะมันคุณอะไรมันโผล่เองนะเขาบอกน้ำลดตอโผล่ไงมันโผล่แน่พอโผล่เสร็จโยมก็พิจารณาเสร็จก็แผ่เมตตาแผ่ไปเถอะสามเดือนแนะ่ามาว่านะโอจิตไปไกลเลยนะ ต่อไปเห็นคนพูดไม่ดีเอาไม่เอาฉันไม่อยากฟังแล้วฉันไม่ไม่แจมด้วยแล้วเมื่อก่อนแนีทนนินทานแล้วขอฉันด้วยอร่อยมากอร่อยมากเกาเหลาไม่ต้องใส่เส้นเดี๋ยวฉันมีเส้นใสเองปรุงมาอีกนะนะปรุงเพิ่มอีกนะยมเชื่อไม่เอาสิบคนมาพูดกันขอทดสอบันแล้วคนแรกพูดให้คน บงคนแรกคนที่หนึ่งพูดในคนที่สองคนที่สองผู้คนที่สามไปถึงคนที่สิบคาเปลี่ยนเลยนะคามันเปลี่ยนเลยเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงเท็จอะไรก็ไม่รู้เราไปแจมทำไมไม่เอาพอพูดในเรื่องไม่ดีฉันไม่เอานะฉันเรื่องของเขามันเป็นกรรมของเขาดีกว่าตัดบทไปเลยพอพูดเรื่องดีหูผึ่งเลยเธอพูดใหม่สิไปเททองพระที่ไหนนะแด่เออ เทเมื่อไรไปสร้างกุศลที่ไหนโอ้สบายเธอจะไปให้ทานเมื่อไรอ่างเงี้ยจิตมันฟังอย่างงี้บ่อยๆจิตก็น้อมไปน้อมไปไอ้นินทากาเลเรามันค่อนชีวิตมาแล้วก็ไม่เห็นว่ามันจะรุ่งรุ่งโรดอะไรนะก็ไม่ต้องพอละเราเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ย น, นวิธีจิต เปลี่ยนวิธีจิตมองแล้วสิ่งไหนที่มันดูแล้วมันไม่ไม่เข้าตาก็ตาอย่าไป ม, มองทีเรามันปิดได้หันไปข้างอื่นก็ได้ไอ้ที่ไม่ชอบเราไปคุยทำไมบอกว่าเหม็นเหม็นเอามือมาดมอีกโอ้ลางก้นตัวเองแล้วบอกว่าเหม็นแล้วเอามือมาดมน่าเกลียดจังด้วยใช่ไหมแล้วชอบอีกนะเออชอบดมอยู่งั้นแหละ มันลิงที่เขาว่าลิงมันมันไม่ถูกกับอะไรกระปีล่ะถ้าถูกต้องมันเช็ดจนมือขาต้นแหละจนความกลิ่นมันหายเราก็ไม่ต้องจิตละน้อมไปในกูรุสุฉะนั้นการเจริญเมตตามันน้อมไปในกูศุเพราะจิตน้อมไปในกูรุสุบ่อยเข้าบ่อยเข้าไวอเข้าไวอเข้านั่นแหละการภาวนานะมันต้องมีความเย็นพอเราได้รับ ไอแห่งความเย็นไอแห่งความเมตตามันสบายนะนั่งมันเบานะเดินจงกรมก็สบายนั่งก็สบายร้อนกายใจไม่ร้อนสบายพยายามไว้ภาวนาให้มันถูกแล้วพอเห็นอะไรเข้าพอมันปรุงแต่งมากๆเก่าสติยับยั้งไว้หน่อยบอกเฮ้ย hey, หยุดพอแล้ว เองจะปรุงไปถึงไหนเนี่ยมันเกินแล้วเองจะปรุงไปถึงไหนก็ต้องเตือนจิตเหมือนกันไม่ใช่มันปรุงจนจะบ้าก็ไม่ยอมแล้วไม่ได้นะจิตถ้าไม่คอยะระลึกมันล่องลอยนะเมื่อยลอยนะมันไปไม่มีประมาณนะมันไปจนข้ามพบได้นะ อย่าทำเล่นนะฉะนั้นเราต้องอบรมจิตตั้งสติให้ดีพอปรุงแต่งขึ้นมามันเป็นฝ่ายไหนบุญญาพิสังขารหรือเป็นฝ่ายไหนฝ่ายไหนเรานั่งดูจิตเรารู้นี่พอรู้เสร็จปุ๊บเราต้องคุ้มครองจิตแล้วจิตมันจะเดินอย่างนี้อย่าให้มันไปมันไม่ใช่ทางมรรคผลยุดไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ ดึงกันมามันดื้อดื้อก็ต้องข่มกันหน่อยขม่ขมข่มต้องเอาทรรมเอาศีลเอาสมาธิเอาปัญญาเอาวิปัสสนามาเจริญเจริญเจริญเจริญเจริญเจริญมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้พอเราฝึกบ่อยๆเข้าฝึกบ่อยๆเข้าเนี่ยกำลังพร้อมมากขึ้นมันก็ต้องมาตามที่เราภาวนา แต่ถ้าเราปล่อยโยมดูชีวิตหลายคนที่ก็ปล่อยทั้งชีวิตมามานั่งภาวนาะใหม่ๆไม่ได้เลยอะ่ะสามวันเจ็ดวันนี้นั่งฟุง้งหัวหมุนอยู่งค่นั่งตัวนั่งอยู่เนี่ยใจไปรอบเลยนะรอบรอบชีวิตที่ผ่านมามันย้อนฟุ้งฟูฟุงฟงฟ้งหมด อ, อุดอัดลุกเดินหายใจฟดฟาดทุัดมันไม่สบายเลยแต่ อย่านีนะทำไปเรื่อยๆไหวพระสวดมนต์เดินจงกรมไหวพระสวดมนต์เดินจงกรมทําวัดเช้าเย็นเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังธรรมไปเรื่อยๆไม่เกินเจ็ดวันแปดวันมันเริ่มนิ่งมันเริ่มนิ่งเริ่มได้สติเริ่มได้สมาธิอย่างน้อยก็มีคณิกะเป็นชั่วครั้งชั่วคราวไปได้ได้ได ความเจ็บปวดความสับสนใหม่ๆสามวันเจ็วันเนี่ยมันทรมานมันคนเลิกยายุ่คิดเลโอ้ยมันหวนนั่งในกลิ่นลอยมาเลยล่ะเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกยาเสพติดสามวันเจ็ดวันเหมือนจะบ้าเลยล่ะโย่บางคนต้องมียากินนะแล้วยุ่งว่าชีวิตที่เราเสพไปเนี่ยมันไม่ติดเหลยโอ้ยยิ่งกว่ายาเสพติดทุกชนิด เพราะสิ่งนี้มันเสพข้ามชาตินะก็สังเกตดูเวลาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคตรัสสังเกตดูแม้เมื่อชาติที่แล้วเธอก็ยังเป็นเช่นนี้อยู่แม้ชาตินี้เธอก็ยังประพฤติเช่นนี้อยู่ไม่ว่าเรื่องทิฏฐิมนณะอัตตาตัวตนเรื่องความโศกสเศร้าเสียใจความพัดพลากจากของรักของเจริญใจที่มันนั่งโศกาอยู่นะขุจาบอกแม้ชาติก่อนเธอก็เป็นเช่นนี้ แม้ชาตินี้เธอก็ยังทุกข์อีกเธอจงปล่อยวางอดีตปล่อยวางปัจจุบันและอย่ามั่นหมายอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจนเกินไปให้รู้ปัจจุบันและให้มันรู้ประมาณใช้ได้ใช้ได้ดังนั้นเร า, ฝ, า, าฝึกไปภาวนาไปฝนะึกไปภาวนาไปเนี่ยใจมันก็ค่อยสงบดับ เย็นลงดับเย็นลงดับเย็นลงจนถึงว่าวันนี้รู้สึกว่าจิตของเราว่างยมจะรู้สึกได้นะบางวันเอ๊รู้สึกวันนี้จิตเรามันว่างบางทียังคิดว่าเรานิพานหรือเปล่าเอ๊ะเราบรรลุแล้วหรือเอาบางวันนี้จิตมันเอาเรื่องนะโอ้โหนั่งแบบเหมือนอารหันยังไงอย่างนั้นเลยล่ะแต่อารหันไม่นานเท่านั้นเองทิ้ง เพียงแต่ว่าอารหันไม่นานของพวกเรามันคือยังติดพบสรุปว่ากระแสมันไหลกลับพวกเราได้สัมผัสบ้างไม่มากก็ น, น้อยไม่งั้นพวกเราคงไม่มาภาวนากันบ่อยเราก็ดื่มด่าในการฟังธรรมเจริญในกุศลธรรมไม่งั้นเราก็คงไม่ฟังก็แสดงว่าพวกเราได้รับในรถมาแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ตั้งมัน่น มันก็ถูกกระแสซัดหายไปในกลางทะเลอีกคนได้สติก็วหว้เข้าฝั่งอีกมันเหนื่อยบางทีก็ท้อบางทีก็ไม่อยากวหาอยากตายแทะไม่ได้มาชนกยังไงยังต้องลอยคออยู่ในมหาสมุทรนะตราบใดชีวิตยังมีกำลังมีลมหายใจเราก็ยังวหว้ต่อ ชีวิตของโยมมันไม่ได้สิ้นหวังตรงที่เราหมดหวังเรื่องหนึ่งเรื่องใดเรื่องนี้เรื่องนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ชีวิตคนไม่ตายไม่มีคาว่าสิ้นหวังถ้าเรายังยืนหยัดเพียงคิดจะทำดีอีกสักครั้งหนึ่งมันก็มีสาระแล้วฉะนั้นธรรมาจะไม่อยู่อย่างผู้หมดหวังและไม่อยู่อย่างผู้สิ้นหวังไม่ว่าเราจะ เจอชีวิตแบบไหนแต่เราก็ต้องเดินผ่านมันไปมันเป็นอย่างนี้ชีวิตยมจะหยุดอยู่ที่ไหนบ้านเกิดมันก็ไม่ใช่บ้านเช่าบ้านใหม่สุดท้ายบ้านหลังไหนก็ไปเรื่อยๆในที่สุดรักษาใจให้ดีที่สุด ประชาจะพบว่าสิ่งมีค่าที่สุดเราเจอแล้วจิตที่เป็นกุศลกายที่มีศีลห่อคุ้มจิตที่รู้แจ้งธรรมะฐานะนั้นไม่เกี่ยวเวลาตายเราไม่ได้เอาไปสร้างไว้ให้บุญกุศลติดตามเราไปในภพน้อยใหญ่อย่างที่เรามาภาวนาบำเพ็ญฟังธรรม ก็เป็นการสร้างบา ร, รมีไปทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันอย่างโยมตั้งใจที่บอกวันนี้เราจะมีเมตตาภาวนาเราจะไม่โกรธใครและพิสูจน์ดูว่าเราทำได้ไหมทำมาได้พรุ่งนี้สมาทานมาอีกแล้ววันไหนโยมทำได้โยมบอกฉันสำเร็จแล้วสำเร็จอย่างเดียวไม่ใช่สำเร็จทุกอย่างแต่นี้ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วอย่างน้อยโยมก็บอกฉันทาได้แล้วดีกว่าราบอกเราทาอะไรไม่ได้ ทำได้เอานะสมควรเวลาขอยุติในการบรรยายแต่เพียงตอนนี้ขอจะยมจงเป็นผู้มีความสุขทุกท่านทุกคนเถอนขอจะเริ่มพรอ